ทำไมถึงเป็นคนฉลาดไม่คงที่ถามสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงเหมือนมีระดับสติปัญญาที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้วันหนึ่งรู้สึกเหมือนฉลาดจัดแต่อีกวันหนึ่งดูโง oo คิดอะไรไม่ค่อยออกอย่างนี้แปลว่าผมเคยทำกรรมเกี่ยวกับความฉลาดมาอย่างไรหรือครับ ตอบก่อนอื่นต้องมองอย่างนี้ครับปัจจัยของความฉลาดไม่ได้มาจากกรรมในอดีตอย่างเดียวอดีตกรรมอาจเป็นตัวตั้งให้สัก 50% สเปอร์เซนำหรับคนทั่วไปเช่นขึ้นต้นมาอาจมีอยากสมองให้มากเป็นเด็กหัวโตหน้าผากว้างเห็นเด่นหน่อยส่วนอีก 50% เปอร์เซน์ที่เหลือต้องมาฝึกหัด สร้างสมเอาในชาตินี้ชีวิตนี้จะกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คงเป็นว่าคนเราฉลาดด้วยพรสวรรค์ครึ่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งต้องอาศัยพรแสวงเอา 50% ิบเปอร์ซแรกที่มาจากอดีตชาตินั้นหมายถึงทําทานและรักษาศีลมาสอดคล้องกับการเป็นผู้มีสติปัญญาดีไว้มากน้อยเพียงใด ขอย้ำว่า 50% จะหมายถึงสำหรับคนทั่วไปนะครับมีบุญหรือบาปพิเศษบางอย่างที่ให้ผลเป็นความฉลาดหรือความโง่เกิน 50% ได้มากเท่ามากในแง่ของทานที่ให้ผลเกี่ยวกับสติปัญญาก็เช่นการมีแก่ใจใช้สติปัญญาของตนช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น หรือให้ความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการแก่คนรอบข้างหากยิ่งให้ทำ ม, มาเป็นทานทําให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องกรรมวิบากและหนทางหลุดพ้นก็ยิ่งมีผลใหญ่หลวงเป็นพิเศษในแง่ของศีลที่ให้ผลเกี่ยวกับสติปัญญามีอยู่สองข้อหลักๆข้อแรกคือปาณ า, าติบาสถ้า ง, งดเว้นการฆ่าสัตว์ ก็จะเอื้อให้จิตใจปลอดโปรง่งเปิดทางให้ความฉลาดแล่นได้เต็มที่เต็มทางแต่หากสั่งสมบาปจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำจะทําให้ทึบหนักเหมือนคนโง่ได้อีกข้อหนึ่งคือสุราเมรยัยถ้า ง, งดเว้นน้ําเมาจะมีสติเป็นปกติดีตามธรรมชาติของจิตแต่หากสั่งสมความมวเมาขาดสติ จากการร่ำสุรามากๆแล้วจะมีผลถึงชาติถัดไปคือเป็นคนฟุ้งซ่านมากหรือกระทั่งวิกลจริตได้เป็นพักๆนั่นเป็นโทษของกรรมที่ไม่เห็นคุณค่าของการมีสติสัมปชัญญะดีๆนอกจากศีลสองข้อดังกล่าวแล้วศีลข้อที่ว่าด้วยการขโมยก็อาจมีส่วนทำให้โง่ ถ้าการขโมยนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับปัญญาเช่นขโมยทรัพย์สินทางปัญญาลักลอบนำสิ่งที่ผู้อื่นอุตส่าห์เหนื่อยยากคิดคน้นมาเป็นของตนหรืออย่างพวกเผาโรงเรียนเนี่ยสติปัญญาจะถูกบาปกรรมบดขยีบีแบนเป็นพิเศษสินข้อที่ว่าด้วยการมูสาก็มีส่วนทาให้โง่ได้เช่นกัน ถ้าการมุสานั้นเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจหากคุณเคยเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กลายเป็นผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาก่อนความเข่าหรือความเข้าใจผิดของผู้อื่นจะย้อนกลับมาเข้าตัวคุณในชาติถัดไปได้มากเช่นกันนอกจากทานและศีลแล้วยังมีส่วนของการสแสวงหาคำตอบให้ชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกมีปัญญามากเป็นผลมาจากการเข้าหาสมณะผู้รู้แจ้งแล้วไถ่าถามด้วยความปรารถนาเอาความจริงว่ากรรมใดเป็นประโยชน์กรรมใดเป็นโทษก็จะส่งให้เป็นผู้ไฝ่รู้ในทางที่ถูกที่ชอบเป็นทางมาของปัญญาอันใหญ่ได้อย่างดีสมมติว่าคุณมีอดีตกรรมอย่างดีเป็นทุนตั้งต้นดังกล่าว เกิดมาชาตินี้คุณก็จะยังไม่ฉลาดทันทีต้องมีความขวนขวายเป็นส่วนเสริมอีกห้าเปอร์เซ็นตซึ่งก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝึกฝนเช่าไวัยไหวพริบการสั่งสมประสบการณ์อันเกิดขึ้นระหว่างแก้ปัญหาซึ่งแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาวิชาก็มีความรู้และแบบฝึกหัดพื้นฐานตลอดจนวิธีต่อยอด ให้ความฉลาดแต่ขแขนงพิสดารไม่รู้จบอยู่แล้วนอกจากนั้นสติปัญญาและความฉลาดยังเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับทานและศีลในปัจจุบันชาติอย่างนี้ไม่พ้นกล่าวคือทานและศีลจะเป็นตัวกำหนดว่าสติและความจําใสของจิตมีได้มากน้อยเพียงใด สติและความจำใสของจิตจัดเป็นพื้นยืนสำคัญของความฉลาดต่อให้สมองคุณมีอยากมากจากบุญเก่าขนาดไหนเท่าไรซึ่งสติและความจำใสของจิตซะแล้วคุณก็จะเหมือนๆมืนงง ง, งคิดอะไรไม่ออกเหมือนเช่นคนไร้สติปัญญาอยู่ดียกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพลามพูดเพ้อเจอมากๆจนเกิดความฟุ้งซ่านความฉลาดก็ย่อมลดลงทันตาเห็นแต่ถ้าวันไหนอยู่กับหมู่บัณฑิตชักชวนกันพูดจานในเรื่องที่จะปลดเปลื้องความละโมบผิดๆความอาฆาตแค้นร้อนๆและความหลงสำคัญผิดหนักๆทั้งหลายสติจะดีและจิตจะแจ่มใสเป็นพิเศษขณะนั้น คุณย่อมรู้สึกว่าตนเองสามารถคิดอันทะลุปรุโปรงอูตากว้างขวางกว่าวันอื่นๆเป็นต้นสรุปคือสติปัญญาและความฉลาดของคนนั้นไม่ได้คงที่ตายตัวหรอกครับหลายๆเลื่อนๆไปเรื่อยๆสุดแล้วแต่บุญบาปที่ทำกันนั่นเอง